มัคคทุกขนัยส1บเนหตุปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีเจดวาระนอารามานปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีเจดวาระนาะอธิปฏิปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีเจดวาระนอนันตระปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีเจดวาระนสมานันตระปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีเจดวาระนอัญญามัญญปัจจัยกับมัคคปัจจัยมีสามวาระ นอุปน ah ิสตยปัจจัยกับมรคปัจจัยมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาตชาตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีเจดวาระนอาเสวะนปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีเจ็ดวาระนกรมมปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีเจ็ดวาระ นอาหารปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนอินทรียปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระน้าชานปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีสวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีสวาระโนนัตถิปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระโนวิกตปัจจัยกับมรรคปัจจัยมี7วาระ มัคคสามัญญตัตนาหกรนา612。ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย 5. คือมัคคสหาชาตะนิสยะอัติและอวิคัตะมีเจ็ดวาระละในอญญามัญญปัจจัยกับละมีสามวาระในอุปนิสยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระ นวิปยุตต ป, ปัจัยกับละมีสมวาระโนนัตถิ ป, ปัจัยกับละมีเจ็วาระโนวิกตปัจจัยกับละมีเจดวาระนาเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมัคคสหาชาตอัญญมัญญานิสยาอัตถิและอวิกขตามีสมวาระละนาสัมปยุตต ป, ปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นวิปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระนโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญา น, นิสัยสมบิยุตตาอัตถิและอวิกตามีสามวาระละนโนวิกตปัจจัยกับละ มีสามวาระในเหตุปัจจัยก um ับ um ปัจจัย6คือมัคคะสหชาตะนิสยาวิปยุตตาอัตติและอวิกตะมีสามวาระละโนวิกตาปัจจัยกับละมีสามวาระในมงเล็บอวิปากสีในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมัคคะสหชาตานิสยาวิปากาอัตติ และอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมรคะสหชาตะอัญญมรญยานิสียะวิปากะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมรคะสหชาตะ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 นเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคสหาชาตะอัญญามัญญนิสยาวิปากะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะห้าสอินตริยคตนา613 นัเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมัคคสหชาตะนิตยอินทริยะอธิและอวิคตะมีเจดวาระละนัอัญญมัญญะปัจจัยกับละมีสามวาระนัอุปนิสัยปัจจัยกับละมีเจดวาระนัสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระนัวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระ โนัตถิปัจจัยกัปละมีเจดวาระโนวิกขตปัจัยกัปละมีเจดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคัหชาตาัญญมัญญาณิสียอินตรียะอธิและอวิกขตมีสมวาระละนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกัปละมีสามวาระ โนนัตถ no ิป no ัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตาปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับป no ัจจัย8คือมัคคสหชาตะอัญญามัญญานิตยอินทรียะสัมปยุตตาอัตถิและอวิกตามีสามวาระละโนวิกตาปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย7 มัคคะสหชาตะนิสยาอินทรียะวิปยุตตาอถิและอวิคตามีสามาระละโนวิคตาปัจจัยกับละมีสามาระอวิปาในมือเล็บอวิปากระสีในเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะสหชาตานิสยาวิปากะ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 ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือมัรคสหชาตญาณิยมัญญานิสียวิปากะอินเตริยะสัมปยุตตาอัตถิและอวิกัตะมีหนึ่งวาระละโนวิกัตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมรรคสหชาตะนิสียวิปากะอินเตริยะ วิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะสหัาตะอัญญามัญญานิสียวิปากะอินทรียาวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมงเล็บสวิปากะห สัช า, า, านาคตนา614นเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือมคัสสหาชาตะนิตยชานะอัติและวิกาตะมีเจ็ดวาระละอัญญามัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนอุปนิตยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละนาสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระนะ นวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสาวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีเจดวาระโนวะิกตาปัจจัยกับละมีเจดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคสหชาตาัญญมัญญานิตยัญชานะอัถิและอวิกตะมีสาวาระละนาสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาวิปยตตาปัจัยกับละมีสามวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคะสหชาตาิอัญญมัญญานิสยียะชานะสัมปยุตตาอัติและวิคตามีสามวาระละโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระ นเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคือมรคะสหชาตานิสยชาณวิปยุตตาอธิและอวิกตตมีสามาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีสามาระในวงเล็บอวิปากสีในเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคือมรคะสหชาตานิสยวิปากะ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 คือมรคสหชาตะอัญญามัญญนิสียวิปากชานะสัมปยุตต์อัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมรคสหชาตะนิสียวิปากชานะวิปยุตต์อัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระละ โนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุตุปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอัญญมัญญนิสยาวิปากะชานะวิปยุตตอัอธิและอวิขตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะห สินทริยชานะคตนา615้นเหตุปัจจัยกับปัจจัยเจคือมัคคะสหาชาตะนิสยาอินทริยชานะอธิและอวิคตะมีเจ็ดวาระละนะอัอายะมัญญปจจ ะ, ะ, นะปะปัจจัยกับละมีสามวาระณอุปนิสยาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละ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 ละนัตสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิขตปัจจัยกับละมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคสหชาตะอนญาอนญานิสยาอินทรียะ ชาณะสัมปยุตตาอติและอวิคัตตมีสามาระละโนวิคัตตปัจจัยกับละมีสามาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคสหชาตานิตยอินทรียชานะวิปยุตตาอติและอวิคัตะมีสามาระละ โนวิกตาปัจจัยกับละมีสามวาระในวุงเล็บอวิปากสีในเหตุปั จ, จัยกับปัจจัย8คือมัคคะสหาชาตะนิสยาวิปากะอินตรียะชาณนะอติและวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตาปั จ, จัยกับละมีหนึ่งวาระในเหตุปั จ, จัยกับปัจจัย9 คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะอินทรียชานะอธิและอวิกตตมีหนึ่งวาระละโนวิกตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัเหตุปัจจัย nah กับปัจจัยสิบคือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะอินทริยชานะสัมปยุตตาอธิและอวิกตะ มีหนึ่งวาระละโนวิกะตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือมรคสหัชชะตะนิสยวิปากะอินทริยชานะวิปยุตตาอธิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระละโนวิกะตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย10บคือมัคคะสหาชาตา์อัญญามัญญานิสียวิปากะอินทริยะชนะวิปยุตตาอัติและอวิคตัตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมเูเลบสวิปากะหาสาธิปฏิอินทริยะัตนาหกนร้อย นัเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะอธิปติสหัชชาตะนิสยาอินทรียาอธิและวิกตะมีเจดวาระละนะัอัญญามัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระนะัอุปนิสยาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระละนะัสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสามวาระนะัวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระ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 คือมรคะอธิปติสหาชาตะนิสยาอินทรียาวิปยุตตาอธิและอวิคัตะมีสามวาระละโนวิคัตตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากะ3ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย8คือมรคะอธิปติสหาชาตานิสยาวิปากะ อินทรียะอธิและอวิคตามีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยสิบคือมัคคะอธิปติสหชาตาอัญญมัญญานิสัยวิปากะอินทรียะสัมปยุตตาอธิและอวิคตามีหนึ่งวาระละ นวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนนเหตุปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะอธิปติสหาชาตะนิจยวิปากะอินทริยวิปยุตตาอัตติและอวิกตตมีหนึ่งวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากษัม สเสหตุอินทริยคัตนาหกพนอารามณปัจจัยกับปัจจัย7คือมัคคะเหตุสหชาตะนิสยาอินทริยาอถิและอวิกตะมีสี่วาระละนาญญามัญญปัจจัยกับละมีสองวาระนอุปนิสยปัจจัยกับละมีสี่วาระละนสัมปยุตตาปั จ, จัยกับละมีสองวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสี่วาระณอารามานปัจจัยกับปัจจัย8คือมัคคเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิตยาอินทรียอติและอวิกตะมีสองวาระละนสัมปยุตตปัจจัยกับละ มีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสองวาระโนวิกะตะปัจจัยกับละมีสองวาระณอ า, ารมามณปัจจัยกับปัจจัยเกคือมัคคะเหตุสหชาติัญญามัญญ น, น, นิสียินตรียสัมปยุตตาอติและอวิกะตะมีสองวาระละ นวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระณนะอารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือมะะัคคะเหตุสหาชาตะนิสยหินทรียวิปยุตตาอัติและอวิกตามีสองวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บอวิปปากศี น า, นารามณปัจจัยกับปัจจัย8คือมรคะเหตุสหชาตานิสัยวิปากะอินทรียะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ น, นารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือมรคะเหตุสหชาตานญยมัญญะ น, นิสัย วิปากะอินทรียะอัตถิและอวิคตตามีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับปัจจัยสิบคือมัคคะเหตุสหชาตะอัญญมัญญาณิสิยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตาอัตถิและอวิคตตามีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาอารมามณปัจจัยกับปัจจัย9คือมัคคะเหตุสหาชาตะนิจัยวิปากาอินทรียาวิปยุตตาอัตติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระละโนวิกะตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอารมามณปัจจัยกับปัจจัยสิบ คมัคคะเหตุสหชาตาอัญญามัญญนิสยวิปากะอินตริยวิปยุตตาอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวือเล็บสวิปากะหสเหตาทิปติอินทริยคัตนา618ันอาอารามณปัจจัย กับปัจจัย8คือมัคคเหตุอธิปติสหชาตะนิสยาอินตรียออาอธตถิแะอวิคตะมีสี่วาระละนะอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสองวารนะนอุปนิสยาปัจจัยกับละมีสี่วารละละนสัมปยุตตา ป, ปัจจัยกับละมีสองวารนะนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสองวาระ โนนัตติปัจจัยกับละมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสี่วาระณนะอารามณปัจจัยกับปัจใจสิบคือมัคคเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิตยาอินตรียะสมบยุตตาอติและอวิกตะมีสองวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระ นารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือมรคเหตุอธิปติสหชาตะนิสยาอินทรียาวิปยุตตาอติและอวิขตามีสองวาระละโนวิขตาปัจจัยกับละมีสองวาระในวงเล็บอวิปากสามนารามณปัจจัยกับปัจจัย9คือ มัคคะเหตุอธิปติสหชาตานิจยะวิปากะอินตริยะอติและอวิคตามีหนึ่งวาระละโนวิคตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับปัจจัย1 1คือมัคคะเหตุอธิปติสหชาตัญญมัญญนิตยะวิปากะอินตริยะสัมปยุตตะ อติและอวิคตะมีหนึ่งวาระละโนวิคตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยกับปัจใจสิบคือมัคคเหตุอธิปติสหาชาตานิจยะวิปากะอินตริยวิปยุตตาอติและอวิคตามีหนึ่งวาระละโนวิคตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ ในมุงเล็บสวิปากษามัคคะมูลกนไนจบสัมปยุตตาทุกไนัย619ในเหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสาวาระนอารามณปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสาวาระนอธิปติปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสาวาระนอนันตระปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสาวาระ นัสส <im> <bleiben> <Devi> ัมนานตรปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนัอุปนิจญตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนัอาเสวะปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนักรรมปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ นวิปปากับปัจจัยกับสัมปยุติปัจจัยมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับสัมปยุติปัจจัยมีสาวาระนอินทรียปัจจัยกับสัมปยุติปัจจัยมีสาวาระนาชานะปัจจัยกับสัมปยุติปัจจัยมีสาวาระนมัคคปัจจัยกับสัมปยุติปัจจัยมีสามวาระนวิปยุติปัจจัยกับสัมปยุติปัจจัยมีสาวาระโนนัตถิปัจจัยกับสัมปยุติปัจจัยมีสาวาระ นวิกตปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระสัมปยตุตตาคัตนาหกพันยี่สบในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือสัมปยุตตาสหชาตาอัญญมัญญานิจิยอัตติและอวิกตะมีสามวาระละโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระในวงเล็บอวิปากหนึ่ง นาเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือสัมปยุตตาสหาชาตะอัญญมัญญานิสียวิปากะอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระละโนวิกตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากาปะหนึ่งสัมปยุตตะมูลกนัยจบวิปยุตตาทุกกนัย621 นเหตุปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนอารามณปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนอนันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตรปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนาสห a c ตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ นัอัญญมัญญปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนัณิตยปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระนัอุปนิทยปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนัอาเสวนปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ นกกรรมปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมีหวาระนวิปากัปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหวาระนอาหารปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหวาระนอินตริยปัจจัยกับวิปยุตตาปัจจัยมีหวาระนชานปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหวาระนมัคคปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีหวาระ นัสสัมปยุตตะปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยมี5วาระโนนัตถิปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยกับวิปยุตตะปัจจัยมี5วาระวิปยุตตมิสสกฆกตนาห2พในเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คือวิปยุตตะอธิและอวิกตะมีหวาระ หน้ารัมมณปัจจัยกับละมีห้าวาระน้าทิปติปัจจัยกับละมีห้าวาระน้อนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระน้สมนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระน้สหชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระหน้อัญญมัญญปัจจัยกับละมีห้าวาระน้นิจยปัจจัยกับละมีสามวาระ ณอุปนิสตยปัจจัยกับละมีห้าวาระณปุเรชาติปัจจัยกับละมีสามวาระณปัจฉาชาติปัจจัยกับละมีห้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระณกรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระณวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระณอาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระ อินทรียปัจจัยกับละมีห้าวาระนชาณปัจจัยกับละมีห้าวาระนมัคปัจจัยกับละมีห้าวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีห้าวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิกขตปัจจัยกับละมีห้าวาระนเหตุปัจจัย กับปัจจัยสี่คือวิปยุตตานิสัยอติและอวิคตะมีห้าวาระนาอารามานปัจจัยกับละมีห้าวาระนาทิปติปัจจัยกับละมีห้าวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีห้าวาระนาสมณันตระปัจจัยกับละมีห้าวาระนาสหชาตปัจจัยกับละมีสาวาระ นาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีห้าวาระนาอุปนิเตยปัจจัยกับละมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระนาอาเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระนากรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระ นอาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีห้าวาระนัชาณปัจจัยกับละมีห้าวาระนมัคคปัจจัยกับละมีห้าวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีห้าวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาระนเหตุปัจจัย กับปัจจัยห้าคือวิปยุตตาอธิปตินิสยาอัติรละวิกตะมีสี่วาระหนาอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระหนอนันตรปัจจัยกับละมีสี่วาระนาสมาันตรัปัจจัยกับละมีสี่วาระหนสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหนอัญญมัญญาปัจจัยกับล ะ, ม, ม, ะ, จจบละมีสี่วาระ นปนิเตยปัจจัยกับละมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสี่วาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสี่วาระนกรมมปัจจัยกับละมีสี่วาระนวิปากปัจจัยกับละมีสี่วาระนอาหารปัจจัยกับละมีสี่วาระ นัยอินทรียปัจจัยกับละมีสี่วาระนชานัจจัยกับละมีสี่วาระนมมขปัจจัยกับละมีสี่วาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสี่วาระนเหตุุปัจจัยกับปัจใจห้า คือวิปยุตตานิสยาอินทรียาอตถและอวิคตตามีสามวาระณอารามณปัจจัยกับละมีสามวาระณทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณอันันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสมานันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระณอริญมรรยาปัจจัยกับละมีสามวาระ นัอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระนัปุเรชาตาปัจจัยกับละมีสามวาระนัปัชชาตาปัจจัยกับละมีสามวาระนัอเสวณปัจจัยกับละมีสามวาระนักกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนัวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระ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 คือวิปยุตตาปัจฉาชาตะอัตถิและวิกตะมีสามวาระนารมณปัจจัยกับละมีสามวาระหน้าทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระหนสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระณนาชาตาปัจจัยกับละมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระ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 นาอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระนชาณปัจจัยกับละมีสามวาระนมะขาปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสามวาระโนนติปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือวิปยุตตะ นิสัยปุเรชาติอติและอวิกตะมีสามวาระหนารามณะปัจจัยกับละมีสามวาระหน้าทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระน้านันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระน้าสหชาติปัจจัยกับละมีสามวาระนอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีสามวาระ นอุปนิสัยปัจจัยกับละมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระณอาเสวะนปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระ นัชานปัจจัยกับพระมีสามวาระนมกปัจจัยกับพระมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับพระมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับพระมีสามวาระโนวิกตะปัจจัยกับพระมีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจใจหกคือวิปยุตตะอารามณนิสยปุเรชาตะอธิระวิกตะมีสามวาระ นาทิปติปัจจัยกับละมีสามวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนาสมนันตรปัจจัยกับละมีสามวาระนาสหชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสามวาระนาอุปนิสัยปัจจัยกับลามีสามวาระนาปัจจาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ นอาเสว่นปัจจ nah, ัยกับลามีสามวาระนกรรมปัจจ no ัยกับลามีสามวาระนวิปากปัจจัยกับลามีสามวาระนอาหารปัจจัยกับลามีสามวาระนอินทรียปัจจัยกับลามีสามวาระนาชาณปัจจัยกับลามีสามวาระนมัคคปัจจัยกับลามีสามวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับลามีสามวาระ โนนัตถิปัจจัยกับรามีสามวาระโนวิกขะตปัจจัยกับรามีสามวาระในเหตุปัจจัยกับปัจใจแปดคือวิปยุตตาอารามณะอธิปตินิจยอุปนิจยะปุเรชาตอาอธิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระ นอนันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมาันตระปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสหัชชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอัญญามัญญาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอาเสวะนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 กับปัจจัย6คือวิปยุตตานิสยาปุเรชาตะอินตริยาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระนอารามานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหน้าทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสมาันตรัปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้าชาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นามคปัจจ ja, no ัยกับละมีหนึ่งวาระนัสสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระสหชาตากตนา624ในเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คือวิปยุตตาสหชาตะนิตยะอติและวิกตะมีสวาระ นอารามะนัปปจัยกับลามีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับลามีสามวาระนอนันตรปัจจัยกับลามีสามวาระนสมนันตระปจจัยกับลามีสามวาระนอัญญมัญญาปจจัยกับลามีสามวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับลามีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับลามีสามวาระ นปัจจาราตปัจจัยกับระมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับระมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับรามีสามวาระนวิปากปัจจัยกับรามีสามวาระนอาหารปัจจัยกับรามีสามวาระนอินตรียปัจจัยกับรามีสามวาระนัชาณปัจจัยกับรามีสามวาระนมคปัจจัยกับรามีสามวาระ นัสสัญปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนนติปัจจัยกับละมีสามวาระโ น, นวิกตปัจจัยกับละมีสาวาระนเหตุปัจจัยกับ ป, ปัจจัย6คือวิปยุตตาสหชาตตาัญญามัญญนิสียอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนะอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาะธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 ในมูลเล็บอวิปากสองในเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือวิปยุตตาสหัชาตะนิจยวิปากะอติและวิกตะมีหนึ่งวาระนอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสมาันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาอัญญมัญญปัจัยกับละมีหนึ่งวาระ pla, นาปนิเตยปัจัยกับละมีหนึ่งวาระ pla, นาปุเรชาตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาเสวนปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนากรรมปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอาหารปัจัยกับละมีหนึ่งวาระนาอินตรียปัจัยกับละมีหนึ่งวาระ นาชานปัจจ ah ัยกับละมีหนึ <attract borrow> ่งวาระนมะขะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือวิปยุตตะสหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะอตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ น้อารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้าทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหน้อนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้าสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหน้าปณิสติยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้ปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระน้ปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระหน้อาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นกรรมปัจจัยกับละมีหนึ Whoa ่งวาระณอาหารปัจจัยก <c oughs> <Main> ับละมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนมรคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละ มีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะสองวิปะยุตตะมูละกันในจบ